ปีนี้เตโชธาต์กำเริบมากหรือเปล่า mm hmm. เทียวกับปีที่แล้วไหนร้อนกักน mm hmm. ปีที่แล้วน่าจะร้อนกว่านี้เนาะ mm hmm. ปีนี้ฝนตกมาเรื่อยอูตุนี่เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อความคิดเรามากเลยเนย mm hmm. ยกตัวอย่างว่าคนป่วยกับคนไม่ป่วยนี่ใครมีความคิดดีกว่ากันไง mm hmm. ค่อนข้างยากนะฉั ทุกขากายยวิญญาณถ้าร้อนเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปนี่ก็เป็นความทุกข์ทางกายนะบอกว่าธรรมชาติของปุตุชนนั้นเมื่อได้รับทุกความทางกายแล้วก็จะต่อด้วยทางใจเพราะว่าทุกขเวทนานั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อปฏิฆานิมิตเนี่ยนะเพราะว่าที่เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแสดงว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่น่า ปรารถนาเมื่ออารมณ์ไม่น่าปรารถนาเนี่ยชาวนะส่วนใหญ่จะเป็นโ ท, สะ น, นโทสะนั่นโทสะนั้นบางคนก็ควบคุมได้คือไม่ถึงกับระเบิดออกมาทางกายกรรมและวจีกรรมก็ยังดูปกติอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยได้เกิดความป่วยไข้ทางความคิดแล้วขณะนั้นทีนี้ถ้าหากว่าโทสะเกิดขึ้นแนวความคิดที่เป็นไปกับกุศลความฉลาดก็ไม่เกิดขึ้น ถ้าปล่อยให้ความคิดแบบนั้นเกิดมากๆขึ้นเขาก็จะสะสมนะั่นนอวิชาก็เกิดขึ้นต่อต่อไปแล้วทีนี้สะสมนั้นจะพาให้ไปเสียหายในเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องอื่นๆก็จะตามมาลองดูนะถ้าเราไม่สบายใจสักเรื่องหนึ่งเรื่องอื่นๆก็ผ่านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไปหมดเลยน่นะอะไรอะไรก็ดูไม่ดีไปทั้งหมดนะแต่ถ้าหากว่าใจเราดีด้วยนะ กุศลจิตเราเจริญขึ้นเห็นอะไรอะไรก็ดีไปหมดาการให้อภัยให้โอกาสก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ค่อยดีแล้วก็มันก็ตอกย้ำอยู่กับปฏิฆานิมิตนั่นแหละคิดเรื่องนั้นบ่อยๆความทุกข์ก็จะเกิดมากๆเพราะว่าโดยธรรมดาของผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนในการเจริญกุศลธรรมอย่างดีเนี่ยนะก็จะวนอยู่ในอกุศลจิตินั่นแหละ <c oughs> จากโลภะไปเป็นโทสะจากโทสะมาเป็นโลภะนะถ้าหากว่าโลภะอุเบคาเวทนาเกิดมากๆเอจะทำยังไงไปให้เป็นโลภะโสมนัสแทนโลภะโสมนัสไม่เกิดโทมนัสก็จะเกิดแทนอย่างนี้ก็วนสลับอยู่นั่นแหละเป็นชีวิตประจำวันเมื่อชีวิตประจำวันที่เป็นไปกับบาปอากุศลอย่างนี้มากๆขึ้นนะธรรมชาติของอวิชชานั้น เป็นความมืดอย่างหนึ่งเหมือนกันจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นทำมนไม่รู้อาจไม่เห็นทำอะไร<ม>สักอย่างนั้นกุศลธรรมที่จะเจริญงอกงามนนะภัยบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่เกิดะจะขอกล่าวถึงข้อความในทีขณิกายมหาวัคนะเล่มที่14นะกล่าวถึง มหาโควินทพรามหรือว่ามหาโควินทสูตรพระสูตรนี้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ <c oughs> สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เขาคิชกูตใกล้กรุงราชคฤห์ <c oughs> <c oughs> ครั้งนั้นแลปัญจะคนนึ่งแล้วเขาไม่มาอย่างที่นัดเนี่ยนะเหม่นาฬิกาเดินชา้าเลยเกินตั้งห้านาทีผ่านไปยังกะครึ่งวันไปแล้วนะรอสักสองชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับเครื่องปีเลยนะเนี่ยโอ้ยยาวนานลักเกินนั่นนะเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยนะถึงเวลาไม่มากแต่ว่าใจมันร้รอนมันก็เลยทุกข์เหมือนกันนานจริงๆ แต่ว่าความสุขในเก้าล้านปีทิพย์ก็ไม่นานนั ก, ก น, นะกำลังเพิ่นเลยอ้าวจะตายอีกแล้วเมื่อราตรีเก้าล่วงแล้วมีรัศมีงดงามอย่างยิ่งส่องเขาขิ้จกูรให้สว่างสวัยแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ปัญจสิกขาคนทำเทพบุตรยืนแล้วแลณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าขา้าคําใดที่พระพุทธเจ้านะที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังมาแล้วต่อหน้าได้รับมาแล้วต่อหน้าทเท ว, วดาชั้นดาวดึงข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลคํานั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านะพระผู้มีพระภาคก็ทรงตรัสตอบว่าปัญจสิกขา เธอจงบอกแกเราเถิดโองตรัดว่าพระพุทธเจ้าข้าในวันก่อนหลายวันมาแล้วในวันอุโบสถที่15นั้นในราตรีวันเพ็ญแห่งวันปวารณาเทวดาเขาก็มีวันปวารณาของเขาเหมือนกันนะทวยเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นเป็นผู้นั่งประชุมพร้อมการที่สุธรรมสภาและทิพยบริษัทย์ใหญ่เป็นผู้นั่งล้อมรอบ และท้าวมหาราทั้งสีองค์ต่างเป็นผู้นั่งประจําทิศทั้งสี่ในในสวรรค์ชั้นดาวดึงน์ัน่นคล้ายกับเป็นวันที่ทวยเทพทั้งจ่าตุม้มทั้งดาวดึงไปไประชุมกันที่สวรรค์ชั้นดาวดึงคือในทิศตะวันออกก็มีท้าวมหาราทตรัตอันพวกเทวดาแวดล้อมแล้วนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกในทางทิศใต้มหาราชชื่อว่าวิรูณ6นะวิรูหก น, น, น อันพวกเทวดาแวทล้อมแล้วนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือในทิศตะวันตกเท้ามหาราชวิรูปักอันพวกเทพแวทล้อมแล้วก็นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกในทิศเหนือก็เท้าเวสวรามหาราชนะอันเทวดาแวทล้อมแล้วก็นั่งหันหน้าไปทางทิศใต้พระพุทธเจ้าข้าก็แหละในเวลาที่เทวดาชั้นดาวดึงทั้งหมดด้วยกันเป็นผู้นั่งประชุมกันที่สุธรรมสภา ที่พยบริษัทใหญ่เป็นผู้นั่งแล้วล้อมรอบเหมือนกันคือเกิดได้เกิดสมาคมประชุมเหล่าเทพพญดาเต็มไปหมดเหมือนมหาราชทั้งสองค์ก็เป็นผู้นั่งประจําทีท่ทั้งสแล้วอาสนานี้เป็นของพวกท่านเหล่านั้นและอาสนะหลังเป็นของพวกเราพระพุทธเจ้าค่าพวกเทพเหล่าใดประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าถึงดาวดึงเมื่อไม่นาน เทพเหล่านั้นย่อมรุ่งเรืองยิ่งเทพเหล่าอื่นทั้งด้วยรัศมีทีเดียวทั้งด้วยยศเพราะเหตุนั้นจึงเล่ากันมาว่าพวกเทพชั้นดาวดึงจึงชื่นใจบันเทิงเกิดปีติสมนัตว่าโอ้หนอผู้เจริญกายทิพย์ย่อมบริบูรณ์กายอสูรย่อมเสือ่อนมะเทวโลกเต็มแน่นะอบายภูมินี้ว่างคำนี้เนี่ยนะเทวดาเขากล่าวเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว ทีนี้ถ้าพูดสมัยใหม่ก็บอกว่าโอ้ยอบายจะบริบูรณ์แล้วเทวดาก็กำลังกระพร่องนะเพราะว่าอคุศลเนี่ยมันระบาด ท, ทั่วไปหมดแล้วเนาะนนะคือเทวดานี่เขาจะมีการสมมติว่าวันแปดค่ำเนี่ยจะมีเทวดาเนี่ยเขาจะถือพวกสมุดชาติเนี่ยนะตามจดคิดว่าหาข้อมูลในมนุษย์โลกว่าช่วงนี้มนุษย์ทาบุญมากหรือทาบุญน้อย แต่ถ้าหากว่าวัน14่ค่ำนะวัน14่ค่ำโอรสของเท้าจ่าตุมก็จะมาจดนะนะแล้วก็วัน15ค่้าำก็จะมีเทวดามาจดแล้วก็กรวมสารไปที่ดาวดึงถ้าช่วงไหนบัญชีบุญเยอะเนี่ยนะเทวดาก็จะประชุมกันโอยช่วงนี้คนทาบุญเยอะเนี่ยนะเทวดาบริบูรณ์แน่ถ้าช่วงไหนบัญ ช, นะ ช, ช, นะ ช, ชีเห็นน้อยเนี่ยแสดงว่าคนทาบุญน้อย ที่เขาเอาสารเหล่านั้นไปกล่าวก็คือเพื่อให้รู้ความเป็นไปของสัตว์วัโลกว่าเอ๊ะช่วงนี้สัตว์นี้จะไปสู่อบายมากหรือว่าจะไปสู่สุขติมากเนีคก็จะมีการแยกแยะประเมินผลเหมืนนแต่เขาเอากุศลจิตเป็นประมาณนะพระพุทธเจ้าค่ะครั้งนั้นแลท้าาส ก, กจอมถวยเทพทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วก็ทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าโอหนอผู้เจริญ พวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมกับพระอินย่อมบันเทิงไหว้พระตถ า, าคตและความที่ธรรมะเป็นธรรมดีว่าไ ง, งเจ้ยกย่องในความตรัสรู้ดีของพระผู้มีพระภาคใช่ไหมถ้ากล่าวคําว่าตถ า, าคตก็มีเท่าไหร่นะแความหมายนะตถ า, าคตความหมายอย่างที่หนึ่งก็คือผู้เสด็จมาอย่างนั้นก็คือพระผู้มีพระภาคแต่ปางก่อนมาด้วยอภินิหารอย่างใด พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็มาด้วยอภินิหารอย่างนั้นเหมือนกันนะพระผู้มีพระภาคแต่ปางก่อนทรงบำเพ็ญบารมีมาอย่างไรพระผู้มีพระภาคของเราก็บำเพ็ญบารมีมาอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคแต่ปางก่อนพระองค์นั้นทรงสละมหาบริจาคทั้งห้าประการเนี่ยนะ แล้วก็บำเพ็ญบารมีเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล <flavored. S 2> เพื่อความสุขแก่เราเทวดา er ทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคของเราก็อย่างนั้นเหมือนกันอันนี้เรียกว่าพระองค์นี้เสด็จมาอย่างนั้นแล้วก็พระองค์นี้เสด็จไปอย่างนั้นเสด็จไปอย่างนั้นก็คื อ, อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระองค์ทรงปฏิบัติหรือดําเนินไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างไรพระผู้มีพระภาคของเราก็ดําเนินไปตามอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อย่างนั้น พระพุทธเจ้าแต่ก่อนเจริญโพธิปักขยธรรมพระผู้มีพระภาคของเราก็เจริญโพธิปักษยธรรมเหมือนกันหรือว่าพระผู้มีพระภาคแต่ปางก่อนทรงละกิเลสตามลําดับแล้วบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรพระผู้มีพระภาคของเราก็อย่างนั้นเหมือนกันนี่เรียกว่าความหมายว่าพระตถาคตหรือว่าพระตถาคตพระพุทองค์นี้ทรงตรัสรู้ลักษณะของธรรมะอย่างท่องแท้ นั่นนะาตสี่มีลักษณะอย่างไรพระ อ, องค์ก็ตรัสรู้หมดเลยธนะายตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุป บ, บาทเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็แทงตลอดหมดหรือว่าพ่อพระองค์นี้ตรัสรู้ธรรมะที่ทองแท้นะก็คือตรัสรู้อริยสัจอย่างทองแท้แลนะพระ อ, องค์นี้มีวาจาที่ทองแท้ว่างั้นพระพุทธพจน์ทั้งหมดที่ทรงตรัสในระยะ45่สิบาพันปศาไม่มีความคลาดเคลื่อนไม่ผิดแม้แต่ปลายเข็มแล้วก็ พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างที่พระองค์ตรัสแล้วก็ตรัสอย่างไรพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยนะทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทําหมือนนะสนํานวนเราเ ร, าเราว่างันแล้วก็พระองค์นี้เป็นผู้เห็นธรรมะอย่างทองแท้ทั้งหมดเลยแล้วพระองค์นี้ครอบงําโลกทั้งหมดด้วยอํานาจศีลสมาธิปัญญานี่ก็คือความหมายของคําว่าพระตถาคตโดยยอ่ยอ ทีนีพระตถาคตพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมใช่ไหมเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสนั้นเป็นธรรมะที่ดีจริงๆสวากขาโตพขวะตาธรรมโมพระธรรมที่พระองค์ตรัสนี้ที่ดีเนี่ยดีอย่างไรก็คือไพราะในเบื้องต้นไพราะในท่ามกลางไพราะในที่สุดเป็นธรรมะที่ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงถ้าหากว่าผู้ใดปฏิบัติตาม สามารถกำจัดกิเลสสามารถกำจัดอกุศลได้อย่างจริงๆะ น, นะทีนี้พวกเทวดาชั้นดาวดึงทั้งหลายก็พากันนอบน้อมพระผู้มีพระภาคและพระธรรมคำสอนของท่าน น, นะเห็นอยู่ซึ่งพวกเทพไมเทียวผู้มีรมัศมีมียศประพฤติพรหมจรรย์นในพระสุคตและมาในที่นี้ว่าไแสดงว่าสมัยนี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสมัยที่พระ อ, องค์ตรัสรู้ใหม่ๆแล้วพระ อ, องค์แสดงธรรมพวกเทพที่ฟังธรรมและประพฤติปฏิบัติตามธรรมได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์พวกเทพเหล่านั้นรุ่งเรืองล่วงเทพเหล่าอื่นโดยรัศมีโดยยศโดยอายุเนี่ยนะแสดงว่าเกิดใหม่แต่ว่ามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่กว่ากันเนี่ยนะก็เหมือนกับาทางโลกก็จบมาสูงกว่าอะไรมากกว่าเนี่ยไปก็ ไปนั่งตำแหน่งใหญ่กว่าแบบนี้น ะ, ะเป็นสาวกของพระผู้มีปัญญานะพระพุทธเจ้านี่เป็นพระผู้มีปัญญาคําว่าปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงพยานนั่นเองนะมีทศพลยานเป็นต้นพระองค์นี้เป็นผู้มีปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาของพระพุทธเจ้านี่กว้างขวางอย่างนั้นแหละบรรลุคุณวิเศษแล้วในสวรรค์ชั้นนี้พวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมทั้งพระอินทร์เห็นข้อนี้แล้ว จึงต่างยินดีว่ายอยู่ซึ่งพระตถาคตและความที่ธรรมะเป็นธรรมะดีเหมืนกันเออพระองค์นี้ตรัสรู้ดีจริงๆเลยนะขนาดเทพเราใดที่ปฏิบัติธรรมในพระผู้มีพระภาคไม่นานก็มาปฏิสนธิหรือมาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีบุญมากกว่ามีเดชมากกว่ามีอํานาจมากกว่าเหมงอนกันแล้วก็ธรรมะคําสอนของพระองค์นี้ก็เป็นธรรมะที่ดีจริงๆพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นจึงกล่าวกันมาว่า พวกเทพชั้นดาวดึงจึงชื่นใจบันเทิงเกิดปีติโสมนัตโดยประมาณยิ่งว่าโอ้หนอผู้เจริญกายทิพย์ย่อมบริบูรณ์กายอสูรย่อมเสื่อมครั้งนั้นท้าวสากะจอมเทพทรงทราบความเลื่อมใสพร้อมของทวยเทพชั้นดาวดึงแล้วก็ทรงเรียกทวยเทพชั้นดาวดึงว่าท่านผู้นิรทุกข์พวกท่านอยากจะฟังพระคุณตามความเป็นจริงแปดอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหรือแต่นะ พระองค์นี้มีความจริงมีคุณธรรมที่ควรแก่การยกย่องอยู่8ดอย่างงั้นเท้าสา ก, กะนี่ประมวลประมวลพุทธคุณได้แปดข้อหลักๆนะพวกเทพชั้นดาวเดินก็กล่าวว่าพวกข้าพาเจ้าอยากจะฟังพระคุณตามความเป็นจริงแปดอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทีนั้นเท้าสกะจอมเทพจึงตรัสพระคุณตามความเป็นจริงแปดอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าแก่พวกเทพชั้นดาวเดินว่า น, นะพวก ท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไะนของเรานี่เคยนึกประมวลพระพุทธคุณนะศึกษาคาสอนมาพระองค์นี่มีคุณอย่างไรบ้างนะพระองค์นี้เกื้อกูลเราอย่างไรบ้างนะ<ม>เคยเคยนึกสรุปบ้างไหมการนึกสรุปพุทธคุณบ้างอย่างว่าพระองค์นี่มีคุณยังไงบ้าง ก็ <c oughs> ที่สรุปย่อๆก็มีอยู่สามประการนะครับพระพุทธองค์มีพระบริสุทธิคุณมีพระปัญญาคุณและก็มีพระหมหากรุณาธิคุณส่วนรายละเอียดนั้นยังไม่ได้แยกแยะ่ครับผมมีใครเคยเอาคุณสามอย่างของพระผู้มีพระภาคไปตรรึกบ้างไหมอย่างนีน้พระองค์นี้มีพระปัญญาที่คุณปัญญาของพระองค์เป็นอย่างไรเนาะ คือให้ให้สมกับคําชมเนี่ยว่าท่านมีปัญญาท่านรู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะท่านบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรนะแล้วก็ท่านมีกรุณาเนี่ยเอท่านช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไรเห็นไหมท่านช่วยอะไรเราบ้างนะถ้าบอกว่าพระองค์นี่มีกรุณาเลือเกินอย่างเ้นเถอะสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากพระองค์บ้างให้เห็นว่าเรานี่ได้รับความการุณาจากพระองค์นะนเราผ่อนเลือกออกนะ ถ้าคนที่เจริญกุศลบ่อยๆก็น่าจะนึกออกเทนี้ในพระคุณ8อย่างก็คือว่าหนึ่งนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเนี่ยนะข้อต้นเลยนะว่าการปฏิบัติของพระองค์นี้เพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อต้นก็คือสรุปแล้วว่าความประพฤติของพระองค์ทั้งหมดเพื่อเพื่อประโยชน์แก่สัตว์นั่นเองเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัตินะนึกถึงพระคุณอันนี้นะว่าที่พระองค์นี้บำเพ็ญบารมีตลอดระยะเวลายาวในช่วงที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีนั้นก็ สิงที่พงษ์ทําทั้งหมดก็เพื่อเพื่อสัตว์นั่นเองบางทีของมานึกถึงอย่างนี้เปรียบเทียบก็เหมือนกับพ่อแม่ที่ทํางานก็เวลาทํางานก็ใจชื้นอยู่ทีหนึ่งก็พราะนึกถึงลูกเขาว่าไง น, นึกถึงลูกก็ทําให้มีแรงทํางานไปเยอะนะปกตินี่ขี้เกียจผมไม่รู้จะลาหยุดไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่รู้นะแทบจะเลิกทําแต่ก็นึกถึงลูกกนะารศึกษาของลูกเป็นต้นก็ทําให้มีเรี่ยวมีแรงที่จะทํางานต่อไปนะทนรตราทําต่อไป ก็รอว่าสักวันหนึ่งพ่อแม่หลายคนมาบ่นให้ฟังเรื่อยนะก็ทุกวันนี้ก็รอรอลูกจบอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับว่างั้นรอให้ลูกจบพอลูกจบแล้วก็เบาแล้วครับว่าที่ยอมเหน็ดเหนื่อยอยู่ทุกวันก็เพื่อลูกนั่นแหละนะใครมีเยอะหน่อยก็บ่นคำนี้ได้นานหน่อยแต่ก็สรุปแล้วก็ต้องทำต่อไปอนะแต่นี้พระองค์ก็ทำเหมือนกันสิ่งที่พระองค์ประพฤติก็คือเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัพพะาทั้งหลาย นะเพราะว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้ที่แนะประโยชน์ให้แก่สัตร์เนี่ยคือประโยชน์อย่างไรบ้างนึกออกนะประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามก็จะได้ประโยชน์ตนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็แผ่ไปถึงประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะ นี่เป็นคําสอนที่เมื่อส ร, รพพะสัตทั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความเกื้อกูลได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> แล้วท้าสากะตรัสต่อไปว่าเราไม่เคยเห็นภาษาสดาที่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าในปัจจุบันนี้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคือไม่เคยเห็นใครเลยที่ว่าทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเพื่อเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์เหมือนพระพุทธเจ้าว่างั้นนะท้าสากาเนี่ยเขาเรียกว่าเอาอเคยได้ยินนะสหัสเนธโททิปจัคขวนะคือพระอินนี้มีตาคือเรียกว่ามีตาเป็นพันหมดสำนวนน่ยนะ มีตาทิพย์เหมือนกับว่ามองเห็นเหตุการณ์ในพันเนี่ยชั่วแวตเดียวเนี่ยนะมองเหตุการณ์เป็นพันๆออกหมดเลยก็แปล ว, ว่ามีตาตั้งพันก็ว่ากันสหัสเนธโทเนี่ยสหั ส, สะนี่ปนแปล ว, ว่าพันมีตาตั้งพันใครครวญเหตุการณ์ได้พักเดียวก็บอกว่าใครครวญดูหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะทําประโยชน์ให้แก่สัพพสัตเท่ากับพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์นี้เลยว่างั้นแมในอดีตแม้ในอนาคต อดีตในอนาคตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกล่าวเลยไปหาพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาคกษัสปินะไม่ได้หมายถึงพระศาสนาของพระเมตตาญาแต่ว่าในช่วงระหว่างเนี้ยในในช่วงระหว่างเนี้ยไม่มีใครดีเกินกับอ่นนะดีเท่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะข้อหนึ่งก็คือพระ อ, องค์นี้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อสองบอกว่า พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะเรานึกออกไหมว่าธรรมะส่วนไหนที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วบ้างหรือตรัสไว้ดีแล้วหมดเลยดีหมดเนาะก็คือสรุปแล้วคำสอนทุกสูตรมีรถเดียวคือวิมุติรถถ้าหากว่าผู้ใดสามารถปฏิบัติตามก็พ้นจากวัตตุทุกได้จริงเหมงอนน ธรรมะเป็นธรรมะที่พึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการเรียกควรเรียกให้มาดูน้อมเข้ามาในตัวและก็เป็นธรรมะที่ผู้รู้พึงทราบเฉพาะต น, น, นนะวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนว่างั้นเถอ ะ, อะธรรมะที่เป็นภาพป ร, ริยติธรรมเนี่ยนะผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ก็พอที่จะเข้าใจได้ส่วนธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมนั้นผู้ที่จะมองเห็นได้มีอยู่สามท่านเท่านั้น คือผู้ที่เป็นอุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนัยยะบุคคลจึงจะมองเห็นโลกุตระธรรมส่วนที่เหลือก็ก็ได้ฟังเข้าชมเนี่ยโอโ้โหมหาสมุทรนี่ใหญ่เหลือเกินเนเกิดมาไม่เคยเห็นมหาสมุทรเลยแต่ด้วยอำนาจแห่งเหตุผลก็พออนุมานได้ว่าไ ง, งเออว่ามหาสมุทรนี่มีอยู่จริงว่า ง, งั้นโลกุตระธรรมเหล่านี้ก็เหมือนกันที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเรียนรู้อยู่ทุกวันนี้ก็ลักษณะนั้นแหละ ทาวสกะตรัสต่อไปว่าเราไม่พิจารณาเห็นพระาศาสดาผู้แสดงธรรมที่น้อมมาใช้ได้อย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ยังไม่เคยเห็นใครสอนคําสอนที่สามารถเอามาใช้ได้อย่างนี้เลยอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าจะในส่วนปัจจุบันนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นธรรมะของพระองค์นี้สามารถเอามาใช้เอามาปฏิบัติได้จริงๆริอันนี้ข้อสองนะ ข้อสก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้แล้วอย่างดีว่านี้กุศลนี้อกุศลนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้พึงเสพนี้ไม่พึงเสพนี้เลวนี้ประนีตนี้ดำนี้ขาวนี้มีส่วนคล้ายกันเนี่ยนะก็คือสามารถจำแนกแยกแยะกุศลอกุศลอัพยากตะเนี่ยนะถ้าใครเรียนมาติกามาแล้วเนี่ยเอาบทมาติกามามาแยกแยะจะเห็นเลยใช่ห เออนี่พระ อ, องค์แยกเป็นกุสลาธรรมานี้อกุสลาธรรมานี้อัพยากรตาธรรมาเออนี่เป็นสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมานี่เป็นธรรมะที่ประกอบด้วยสุขนี้เป็นธรรมะที่ประกอบด้วยทุกขเวทนานี้ประกอบด้วยอทุกขมสุขเวทนานี้เป็นวิบากนี้เป็นธรรมะที่ทําให้มีวิบากธรรมะนี้ไม่ใช่ทั้งสองอย่างอย่างเงี้ยเออนี่เป็นอุปาทาน ผู้ที่ศึกษามาติกาเป็นต้นมาแล้วก็สา ม, มารถแยกแยะเนี่ยนะถ้าหากว่ามาติกาเหล่านั้นเนี่ยนะมาสงเคราะห์ลงในชีวิตเราเป็นไงเน้ยนะเมื่อเกิดการได้ยินขึ้นก็สงเคราะห์ลงมาติกายี่สิบสองมาติกาเลยน่าจะดีนะน่าจะลองดูนะเห็นได้ยินปั๊บเอ๊สาธยายมาติกาเลยอุศลาธรรมมาไอ้อะไรเป็นกุศลอกุศลนะ พยากตาธรรมมาส่วนไหนเป็นวิบากวิปากาธรรมมาส่วนไหนเป็นวิบากส่วนไหนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดวิบากเนี่ยนะเอามาใข่ครวรแบบนี้ก็จะเห็นพระปัญญาที่คุณของพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์สา ม, มารถแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้บอกว่าเราไม่เคยเห็นพระศาสดาที่บัญญัติธรรมะที่เป็นกุศลอกุศลมีโทษไม่มีโทษพึงเสพไม่พึงเสเลวประณีดดำขาว มีส่วนคล้ายกันอย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าจะเป็นส่วนปัจจุบันนี้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะพระองค์สามารถแยกแยะได้คือทุกวันนี้ยังศรัทธาในในโลกะนิโรธสูตรที่ว่านะที่พระองค์ตรัสว่าอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณแล้วพระองค์ก็แสดงไปจนถึงว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะ ก็ไล่เลยว่าระบบทางตาเห็นไปจนถึงว่าที่สุดของการเห็นคืออะไรแล้วก็จะมองเห็นลักษณะของสังสารวัตรเแล้วก็สรุปมาในทวารทั้ง6ได้เห็นไมแล้วก็มาปรับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะที่กล่าวในอัตสาลีนีว่าจีวรผืนเดียวให้อารมณ์ได้6อารมณ์ใช่มผ้าหรือว่าข้าวถ้วยเดียวก็ได้ข้าวถ้วยเดียวให้ได้6อารมณ์เลยเ คือสีของข้าวเป็นสีถ้าหากว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยนะข้าวบางอย่างมันจะกรอบใช่ไหมข้าวแตนนีน่กรอบน ะ, ะมีเสียงด้วยแล้วก็ในในถ้วยนั้นมีกลิ่นไหมมีเวลามาชิมก็มีรสเนี่ยนะเวลามาแตะปลายลิ้นก็เป็นรสใช่ไหมเคี้ยวเนี่ยนะก็เป็นโพธิภะแล้วก็โอชาที่อยู่ในนั้นก็เป็นธรรมรมอาโปทาที่อยู่ในนั้นก็เป็น ทำอมรมณ์เชื่อไหมข้าวแตนถ้วยเดียวนั่นแหละให้สังสารวัตเราทั้งหมดเลยยกตัวอย่างนะทางตาเลยนะถ้าเอาโลกรนนี่เราถ้าสูตรมาสงเคราะห์ลงเนี่ยก็บอกว่าข้าวถ้วยนั้นนะ่ะอาศัยตากับสีเกิดจากคูวิญญาณใช่ไหมความประชุมของธรรมสามอย่างเป็นภาษาพระภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาข้าวแตนถ้วยนั้นให้เวทนาอะไรก่อนถามว่าเราชอบไหมพื้นฐานเนี่ยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็สมนัตใช่ไหมถ้าคนที่ชอบแบบนั้นนะ่ะ ถ้าคนไม่ชอบก็เป็นโทสะอันเวทนาอันนั้นเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเวทนาอันนั้นก็ให้ชาวนะแล้วนะชาวนะส่วนใหญ่ก็เป็นตันหาตันหาที่เกิดร่วมนั้นก็จะมีเจตนาด้วยนะเจตนานั้นก็เป็นกรรมภพนะภนี่ธรรมชาติของเขาย่อมให้ซึ่งอุปติภพนะอุปติภพนี่ถ้าประชุมครั้งแรกเรียกว่าชาตินะ เพราะฉะนั้นอาศัยการเห็นอันนั้นของเราเนี่ยก่อให้เกิดชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลก็จะมีได้ด้วยอาการนี้อาศัยเห็นอย่างเดียวนะถ้าใครเคี้ยวได้ยินอีกกรอบๆเอาเอามาปรับเป็นกรรมแบบนี้อีกนะแล้วก็ให้กล่นอีกใช่ไมก็สงเคราะห์ลงในทวารทั้ง6เนี่ยนะเอาสูตรนี้มาใส่ลงมาข้าวแตนข้าวเดียวนี้ก็ ไปสังสารวัตอีกยาวว่างั้นและถ้าหากว่าจะดับกองทุกดับได้ยังไงใช่ไหมอาศัยสีกับสายตากับรูปเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษาพ่อภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะสํารอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือนะเกิดเมื่อเกิดการใคร้ครวรธรรมะเหล่านั้นโดยรอบครอบหมดแล้วก็สํารอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือเจตนากรรมมั น, นั้นก็ ดับใช่ไหมพบดับอะไรดับนะถ้าพบดับชาติชราพญาที่มรณะโสกปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะทีนี้เราก็เอามาฝึกดูนะเออเข้าแตนถ้วยเดียวว่าเป็นยังไงแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอีกผ้าที่เราใช้สอยก็สงเคราะห์ลงอารมณ์6แล้วก็เอาสูตรนี้ไล่ไปที่อยู่อาศัยก็ให้อารมหกใช่ไหมหยกยารักษาโรคที่เราใช้ก็ได้อารมณ์6 คนที่เราเกี่ยวข้องก็ให้อารมณ์หกอย่างเงี้ยก็สงเคราะห์ธรรมะเราี้อันถ้าใครครวนมากๆก็กกพระ อ, องค์นี้มีพระปัญญาที่คุณลึกซึ้งมากว่งั้นพระ อ, องค์สามารถแยกแยะบัญญัติทั้งความเป็นไปของสังสารวัฏได้และก็สามารถกล่าวถึงการทวนกระแสที่เป็นไปเพื่อสิ้นวัตถุทุกได้ ทีนี้ต่อไปว่าข้อสนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสําหรับไปถึงพระนิพพานแก่สาวกทั้งหลายทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันไว้เป็นอย่างดีเห็นไหมเรียกว่าอริยมรรคกับพระนิพพานเนี่ยกลมกลืนกันเหมือนกันเถอข้อปฏิบัตินี้ก็สมดุลก็ต่อธรรมะที่ที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะที่สุดแห่งทุกได้ก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นเพราะฉะนั้นอริยมรรค ก, กับพระนิพพานเนี่ย กลมกลืนกันเป็นอย่างดีพวกนังง้นน้ำจากแม่น้ําคงคากับจากแม่น้ํายมุนาย่อมกลมกลืนกันเข้ากันได้อย่างเรียบร้อยแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติสําหรับไปถึงพระนิพพานแก่พระสาวกทั้งหลายทั้งพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัติก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดีเนี่ยนะคำสอนกับอ่าคำสอนเรียกว่าข้อปฏิบัติกับเป้าหมายเนี่ยนะ กลมกลืนกันเข้ากันได้อย่างสมดุลเหมือนกนเข้ากันได้แบบนั้นแหละเราไม่เคยเห็นพระาศาสดาผู้บัญญัติข้อปฏิบัติสำหรับไปถึงพระนิพพานได้อย่างนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม่นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าจะเป็นส่วนในปัจจุบันนี้นอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น น, นแสดงว่าเท้าส ก, กะตอนนี้ได้เป็นพระโสดาบันไปแล้วนะจึงสา ม, มารถยกย่องภาลนา คุณของพระตถาคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขนาดนี้ข้อที่ห้าก็ทา้าสกะกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงได้พระเสขขาทั้งหลายผู้ยังต้องปฏิบัติและพระขีนาศพทั้งหลายผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นพระสหายถามว่าพระพุทธเจ้ามีใครเป็นเพื่อนนะมีพระอริยสาวกทั้งหลายนะั่นแหละเป็นเพื่อนเป็นสหายว่างั้นเถอะ มีพระโสดาบันพระสกทาคามีมีพระนาคามีมีพระอรหันนั่นแหละก็บอกว่าทิศใดที่พระอริยเจ้าอยู่ทิศนั้นสว่างสวัยสำหรับพระผู้มีพระภาคเหมนั้นแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ทรงยึดติดในท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ติดเลยนะไม่ไม่ติดไม่ผูกพันแล้วพระองค์นี้มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมยินดีอยู่ในยินดีในการหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวนันน พราพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ประกอบความเป็นอยู่ผู้เดียวเป็นที่มายินดีอยู่เราไม่พิจารณาเห็นภาษาสดาที่ตามประกอบความเป็นผู้ยินดีในความเป็นผู้อยู่ผู้เดียวอย่างนี้พู้ถึงพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าในปัจจุบันนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี่นะพระองค์นี้ยินดีในการหลีกเล่นนะขนาดว่าคนที่พระองค์เกี่ยวข้องครบด้วยมีแต่คนดีทั้งนั้นเลย แต่ก็ยินดีในการหลีกเล้นว่า ง, งั้นไม่ไม่ได้ผูกพันคิดดูนะ บ, บางครั้งพระองค์ก็ไปจำพรรษาอยู่กับกับลิงกับช้างเงียบอยู่คนเดีย ว, วนะั่นแหะบางช่วงก็หลีกเล้นอยู่ครึ่งเดือนเดือนหนึ่งยังไงพระองค์เนี่หลีกเล่นบ่อยถ้าหากว่าช่วงใดที่พิจารณาดูแล้วไม่มีสัตว์ที่จะบรรลุมรรคผลพระองค์ก็หลีกเล่นแหละข้อที่6กล่าวว่าลาบสําเร็จอย่างยิ่ง ชื่อเสียงก็สาเร็จอย่างยิ่งแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปานกับพวกกษัตริย์ทรงพระสิริโฉมสงา่าน่ารักอยู่ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลทรงปราศจากความเมาสเสวยพระอาหารพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีลาบสการะมากที่สุดเหมือนกันชื่อเสียงก็กึกก้องไม่ว่าจะเป็นเหล่าเนี่ยนะ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งพรหมโลกแม้กระทั่งพวกนาคพวกครุฑเป็นต้นนี่ยนะชื่อเสียงของพระ อ, องค์ก็สําเร็จได้ยินทั่วไปหมดเหมือนกันและพระ อ, องค์นั้นถึงมีลาบสการะมีปัจจัยสี่มากขนาดนั้นแต่พระ อ, องค์ก็ไม่มีความเมาในการเสวยพระกยาหารเพราะไรเพราะพระ อ, องค์นี้พิจารณาโดยเย็บขายและพระ อ, องค์จึงบริโภคอาหารเหล่านั้นนี่ยนะ เราไม่พิจารณาเห็นภาษาสดาที่ปราศจากความเมาบริโภคอาหารอยู่อย่างนี้ถึงพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าจะเป็นส่วนในปัจจุบันนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นบอกว่าคนดีจริงๆเลยนะกินอาหารไม่มัวเมาไม่ติดใจในรสเลยนะเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่นี้ได้รสอร่อยก็พร่ำชมอาหารนั้นใหญ่เลยนะพอได้รสไม่อร่อย อ, อ, ยอีกเัืไงไม่นบ่นก็บบ่นอยู่นั่นแหละ อยนี้นนะก็บทในความคิดก่อนนะนะอไม่มีคนที่สมควรเล่าก็เก็บไว้ในใจก่อนก็นั่งวิตกวิจารณ์อยู่นั่นแหละเนะโอกรรมทั้งนั้นเลยเนอะคิดเรื่องอาหารบ่อยๆนี่ก็สร้างกรรมตลอดเนะาะเพราะมีเจตนาเกิดร่วมด้วยนี่มันพระองค์นี้ไม่มีความมัวมเมาไม่มีความติดใจไม่มีความยินดีในรถอาหารเลยมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งก็มีพ่อครัวพ่อครัวของเขาเนี่ยอยากจะเอาใจพระราชา ก็เลยปรุงอาหารอย่างดีที่สุดเท่าที่จะปรุงได้เนี่ยนะว่าพระราชาชิมแล้วเนี่ยต้องให้รางวัลแกเราอย่างแน่นอนอนะนะเสร็จแล้วก็ประกอบอาหารอย่างนั้นไปถวายพระราชาพระราชาก็สเสวยพระราชาเนี่ยพออาหารแตะปลายลิ้นเนี่ยก็รู้รสว่าโอ้โหอาหารเนี่ยอร่อยจริงจริวงวะ น, นสมควรที่จะให้รางวัลแต่พระราชาก็คิดวนะ่าเอ๊ะถ้าเราให้รางวัล น, นะกะว่าพระราชาคนนี้ตะกละตะกลามในอาหารอีกนั่นแหละ ก็เลยไม่ให้ก็สเสวยแบบคนธรรมดาเลยนะไม่ได้แสดงออกแต่ว่ารู้ว่าอาหารนี่อร่อยมากนะพ่อครัว ấy, นึกว่าจะได้รางวัลเงียบไม่เห็นตบรางวัลอะไรให้เราสักอย่างเลยนะรื้ว่าพระราชาพระ อ, องค์นี้ลิ้นจระเข้วันหลังก็ปรุงอาหารใหม่ก็บอกว่าอาหารห่วยที่สุดเลยนะไม่ได้เรื่องเลยพระราชานี่ก็สเสวยปั๊บเนี่ยสมควรว่า เจ้าพ่อครัวคนนี้สมควรจะได้รับการตําหนิเนี่ยนะควรจะได้รับโทษแต่ถ้าหากว่าเราลงโทษก็เสียชื่อเสียงว่าเอ้แค่ปากท้องเนี่ยพระราชาพระ อ, องค์นี้ยังไงเนี่ยนะที น, นี้พ่อครัวก็เลยนึกที่พระราชาองค์นี้เนี่ยนะถ้าอาหารขนาดนี้ถ้าธรรมดาทั่วไปก็ต้องเหาเนี่ยต้องถูกลงโทษแต่นี้พระราชาไม่ลงโทษทีนี้หลังจากนั้นสบายเลยไงอาหารยังไงก็ทำไปพระราชาสวยได้หมดอนะ พระราชาเนี่ยพ่อครัวรี่ยังไง น, น, นะนี่คือไม่ได้รับความสุขในการโวพรยพระกยอาหารเลยทีนี้นานๆเข้าเบื่อหน่ายออกบวชเลยออกบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระประเจ ก, กับพะพุทธเจ้าพ่อครัวนี่สอนได้พ่อครัวสอนเรื่องอาหารเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาส่วนใหญ่ก็ทนไม่ได้ใช่ไหมเค็มมากไปบางคนสำนวนก็บอกใครเอารถเกลือมาคว่ำมั่นตรงนี้เขา <c oughs> บอกว่าถ้าหากว่า อาหารนั้นนะ่ะมันจืดจางเกินไปครัใครเอาน้ำเกือบๆน้ําต้มผักอะไรมาวางไว้แถวเนี้ยนะก็ ค, ะคือหาเรื่องตําหนิจนได้น่นนะน่ะถ้าคนที่เพลิดเพลินยินดีในการบริโภคมากๆก็อาศัยอาหารนั่นแหละมาเป็นคําพูดเป็นโจ๊กมาคอยทิมคอยแทงซึ่งกันและกันะอาศัยอาหารเนี่ยเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแวงอาหารแต่ละคําที่เรารับประทานเข้าไปนี่เชื่อไหมเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลกรรมบุได้ทุกข้อเลย นะอาศัยอาหารถ้วยนะั้นนี่แหละทำให้ต้องทำตานาติบาตพระราชาบางองค์เนี่ยติดใจในการสวยเนื้อมากนะตอนหลังทาไม่ได้กินเนื้อเนี่ยไม่ไม่สวยพระกาหารตอนหลังเนี่ยถึงกับสวยเนื้อมนุษย์เนี่ยนะสั่งข้าอยู่ประจำเลยต้องกินเนื้อมนุษย์ให้ได้อันนี้อาศัยอาหารก็เป็นปัจจัยให้ทำตานาติบาตอาศัยอาหารถ้วยนั้นเป็นปัจจัยให้ทรอมทินนาทานบางคนเนี่ย อยากเสวยอาหารบางอย่างก็ต้องไปลักทรัพย์เป็นต้นมานะบางคนก็ถึงกับประพิษประพฤติผิดในกาลทั้งหลายบางคนก็กว่าจะได้มาก็โกห ก, ก, ก, ก, ก, ก, กตลบตะแลงภิศูบบางรูปเพื่อที่จะได้อาหารสักมื้อนึงถึงกับประพฤติอเนสนากรรมเนีย่ยนะบางองค์ถึงกับอวดอุตรีมนุสธรรมเป็นปาราชิกเนีย่ยนะหรือบางทีก็เป็นผู้รับใช้คารว า, านะเดินข่าวสารเป็นต้นที่เรียกว่าทำอเนสนากรรม นะเพื่อเหตุแห่งอาหารเนี่ยนะเพื่อปากเพื่อท้องแต่ว่าพระผู้มีพระภาคของเรานี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้ติดใจไม่ได้หลงไหลพิจารนาเห็นโทษของอาหารแล้วก็พิจารนาถึงอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากอาหารเป็นอย่างดีเนี่ยนะพระองค์นี้ใคร่ครวญพิจารณาอาหารอย่างเย่อหายแล้วโดยสัมปชัญญะทั้ง4ประการในการบริโภคอาหาร ทีนี้ข้อต่อไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองคอ์นั้นทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่างไรก็ทรงมีปกติทำอย่างนั้นทรงมีปกติทำอย่างไรก็มีปกติตรัสอย่างนั้นด้วยประการช น, นี้ก็เป็นอันว่าทรงเป็นผู้มีปกติตรัสอย่างไรก็ทรงมีปกติทำอย่างนั้นทรงมีปกติทำอย่างไรก็ทรงมีปกติตรัสอย่างนั้นเราไม่พิจารณาเห็นภาษาสดาที่ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าจะเป็นส่วนปัจจุบันยกเว้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนีย่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำจริจริงว่างั้นเนี่ยนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยสมควรแก่คุณธรรมทั้งหมดข้อสุดท้ายกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงข้ามความสงสยัยได้แล้ว <c oughs> คือพระองค์นั้นไม่มีสงสัยอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยนะสงสัยเนี่ยมีเท่าไหร่นะความสงสัยมีแปดอย่างนะหนึ่งสงสัยในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านะว่าเออพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าสองก็สงสัยในพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าเออเป็นคำสอนที่ ที่พระ อ, องค์ตรัสไว้หรือเปล่าและคําสอนที่เมื่อบุคคลปฏิบัติตามแล้วพ้นจากทุกข์ได้หรือเห็นไหมหรือว่าสงสัยในคนของพระสงฆ์ว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงจริงหรือเปล่าแล้วก็สงสัยในข้อปฏิบัตินะสงสัยในสิทธิาว่าอาธิศีนอธิจิตอธิปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานจริงหรือเห็นไหมหรือไม่ก็สงสัยในขนันธ์ธาตุยตนาที่เป็นอดีตเห็นไหม สงสัยในอดีตมีกี่อย่างนะหอย่างนะสงสัยในอนาคตอีก5อย่างสงสัยในปัจจุบันและสงสัยในปฏิจจสมุปบาทสงสัยในธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้น น, นะแต่ว่าความสงสัยเหล่านี้ไม่ได้มีเลยสำหรับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ปราศจากความเครือบแคลง เนะพระ อ, องค์ประสงค์จะรู้อะไรเนี่ยนะแค่อวัชนาการหรือเรียกว่าไข้ครวนเท่านั้นเองธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดจะปรากฏให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้ได้ทรงเห็นเหมือนกับมะขามปั้มที่วางไว้บนฝ่ามือเนี่ยนะประสงค์จะนึกเมื่อไหร่ก็รู้ทันทีเลยเนี่ยนะแล้วแต่อย่างพระ อ, องค์เนี่ยประสงประสงหวังเพื่อที่จะระลึกชาติกับปั๊บปับบบบ๊สบายเลยเนี่ยนะแล้วก็เอามาเล่าเนี่ยนะถ้ามีประโยชน์นะ ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ใช้หรือถ้าหากว่าพระองค์เนี่ยประสงค์จะรู้อนาคตเนี่ยแปบ๊บเดียวเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดพระั้นพระองค์เนี่ยประสงค์จะรู้อะไรธรรมะเหล่านั้ น, น, นก็ปรากฏแจมแจ้งแก่พระองค์ทั้งหมดว่างั้นฝันพระองค์จึงไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความเคลือบแคลงสงสัยแม้แต่อย่างเดียวพระองค์นั้นถึงที่สุดแห่งความดำริดำริก็คือความปรารถนานั่นเองนะที่สุดแห่งความต้องการ ของเรานี้ที่สุดแห่งความต้องการหรือยังนะต้องการอะไรความต้องการอ น, นั้นถึงที่สุดยังคุณลุงยังเนาะยังไม่ได้เหมือนกับที่ต้องการฟอย่างเลยนะองการจะบวชก็ยังไม่ได้บวชอย่างเงี้ยความหวังเนี่ยนะเมื่อไหร่จะถึงที่สุดสักทีหนึ่งอะนะเมื่อไหร่น้อจะบริโภคปัจจัยสี่ยังไม่เป็นแน่ยังนงะแค่วนะ่าที่สุดแห่งความดํางฤทิ์คือเพราะว่าบางค น, นดํางฤทิ ตั้งเป้าหมายว่าเออเจริญวิปั ส, สนาเป็นพอแล้วบางคนก็คิดอยู่แค่เนี้ย่บางคนบอกโอ้ยไม่เอาเอาศีลพอแล้วนะอันนี้ก็าเรียกว่าบางคนก็มีความคิดไว้แค่นั้นแนหะเพราะฉะนั้นพอรักษาศีลได้ก็พอแล้บางคนก็เอาสมถะหน่อยนะเอาแค่สมถะบางคนเอาวิปั ส, สนาบางคนเอาฌานที่หนึ่งโอ้ได้ฌานที่หนึ่งพอแล้วอันนี้เเรียกว่ามีจินตนาการหรือความหวังความปรารถนาไว้คับแคบเหมืงนกันต่ําๆบางคนเอ้โสดาบานพอแล้ว บางคนก็โอ้สากะทาคามีดีกว่าบางคนเอ้อนาคามีพอและวบางคนอรหันต์ก็พอแล้วอรหันต์ยังไงก็ได้ขอให้เป็นพระอารหันต์อย่างเดียวอรหันต์แบบไหนก็เอาขอให้เป็นพระอารหันต์จินตนาการไว้เท่านี้เองแต่ก็ยังจําสัมมณเณรองนึะสัมณเณรปารธนาอะไรก็แบบโอยผมปรารธนาชุงมากครับอาจารย์ครับเขาพูดไม่ค่อยชัดเลยนะปรารธนาชุงมากเฮ้อบอกหน่อยนะเน้นไม่กล้าบอกผมอายครับเหมือนกัน บอกเลยนะปาร์นาโชดาบันครับปาร์นาโชดาบันแต่ก็บวชทนกันนะบวชได้หกพันสาแลบวชตั้งแต่จบปหกใหม่ๆเลยตอนนี้ได้หกปีแล้วเนี่ยนะทีแรกก็คิดว่าคนนี้น่าจะไม่นานนะนะพวกหัวดีๆเนี่ยศึกหมดเกลี้ยงเลยเหลือเจ้านี้คนเดียวพุทธังสรนังขาชามิเสร็จแล้วสังฆังสรนังขชามิว่าไม่ค่อยจะถูกเลย เสร็จแล้วก็สังฆังสระนังขชามิอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยไล่ไม่ถูกอะแล้วของมาเนี่ยรู้จักเนนแบบนี้สององละอันนั้นเจ้าหนึ่งอเจอที่สุรินนั่นก็พุททางสระนังขชามิเสร็จสังฆังสระนังขชามิธรรมังสระนังขชามิตะติยัมปีผู้ทางสระนังขชามิ ทุติยัมปิทำมังสระนังขาชามีโอ๊หเวหวมอนหมดเออนะมีนะอย่างเงี้ยออตั้งใครว่าพูดอย่างงี้ยังพูดไม่ค่อยถูกเลยบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นนะแต่ก็เขาก็ตั้งความปาถนาว่าโชดาบันนั่นกันนะเนีเขายังกล้าปาถนาเลยนะของเรานี่ก็ปารถนารู้แจ้งคําสอนของพระผู้มีพระภาคกันนะพระ อ, องค์ตรัสรู้อะไรก็ขอตรัสรู้ตามท่าน ที่เอามากล่าวเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าบางคนนั้นสติปัญญาหรือความสามารถเขาไม่ได้เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันในลักษณะนี้เนี่ยแต่สังเกตดูนะคนพวกนี้จะชอบทำกรรมที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะ ช, ชอบทำกรรมที่สมควรกับความโง่นั่นแหละนะคือจะชอบตำหนิเนี่ยนะโอ้ยเรียนมากไปยางงั้นยังงี้นนะพวกนี้จะชอบบน่นชอบตาหนิ ทนี้เราก็มาสังเกตดูนะว่าใครเป็นยังไงกับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันกับวิบากที่เขากําลังเป็นอยู่เนี่ยนะสมควรกับเหตุผลจริงๆเลยเนี่ยนะพิจารณาหลายครั้งแล้วว่าเออทาไมคนคนนี้เขาจึงมีลักษณะแบบนี้นะแล้วดูวิถีชีวิตประจําวันของเขาก็สมควรกับผลอันนั้นด้วยนะชอบทํากรรมที่จะให้เหตุให้ผลแบบนั้นอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางคนก็ตั้งความปรารถนาไว้แค่เ อ, อชาตินี้วิชาสามอย่างเงี้ยบางคนก็อภิญญาหกบางคนก็ ปฏิสัมพิทาสี่สูงกว่านั้นก็ขอเป็นอสิเตมหาสาวกใช่ไหมเป็นสาวกผู้ใหญ่หนึ่งในจํานวนผู้พระผู้ใหญ่ที่เผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าบางท่านก็ดําริว่าอยากจะเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายเหมือนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะใช่ไหมบางคนตั้งความปรารถนาว่าขอเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้า บางคนก็ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ของพระผู้มีพระภาคนั้นที่สุดแห่งความดําริของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์นี้ดําริรว่ายังไงดําริว่าขอให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและความดําริอั น, นั้นก็สำเร็จแล้วเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นอัธยาศาัยของพระ อ, องค์ก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เราไม่พิจารณาเห็นภาษาสดาที่ข้ามความสงสัยได้ปราศจากความเครือแคลงสิ้นสุดความดำริเกี่ยวกับอัจชชาสัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อย่างนี้นะยังไม่เคยเห็นใครปฏิบัติถึงที่สุดได้ขนาดนั้นเหมาอนกันผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์แม้นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตไม่ว่าในปัจจุบันนี้ยกเว้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าค่ะเท้ า, ทาสักกะจอมเทพได้ตรัสถึงพระคุณตามความเป็นจริงเนี่ยนะแประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านี้แหลแก่ทวยเทพชั้นดาวดึงดึเพราะเหตุนั้นพระเจ้าค่ะเล่ากันมาว่าทวยเทพชั้นดาวดึงดึจึงชื่นใจบันเทิงเกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งฟังพระคุณตามที่เป็นจริงทั้งแปดประการของพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้นเทพบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงๆหนอท่านผู้เนรทุก์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงทรงเกิดขึ้นในโลกว่าไขอให้พระพุทธเจ้า4ีองค์เนี่ยอุบัติเกิดขึ้นในโลกและพึงแสดงพระธรรมเช่นเดียวกันกับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อความเกือ้อกูลแก่ชนจานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม่พระองค์นี้ขนาดองค์เดียวนะยังปฏิบัติได้มากขนาดนี้ถ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสี่องค์เนี่ยโหประโยชน์สุขแก่เทวดาเนี่ยน่าจะมากมายจริงๆเลยนะดีนะพระพุทธเจ้าอุบัติพร้อมกันสี่องค์เลยนะเทวดาบางพวกคิดนะอันนี้แสดงว่าเทวดาที่คิดอย่างนี้ไม่ใช่เทวดาที่เป็นพระอริยะ เทวดานี้จะไม่ใช่พระอริยะเพราะพระอริยะจะไม่คิดอย่างนี้ทีนี้เทพบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีรทุกทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่องค์ยกไว้ก่อนน่าอัศจรรย์จริงหนอเพื่อนทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระองค์พึงเกิดขึ้นในโลกและพึงทรงแสดงธรรมเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อความเกือเก้อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมาก เพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโอ้ไม่ถึงสี่รอกสมนี่ก่อนเยอะแล้วนะสามนี่โลกก็ร่มเย็นแลว้วว่ ง, งั้นเทพบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระองค์จงยกไว้ก่อนน่าอัศจ ร, รจริงเนอเพื่อนทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์พึงทรงเกิดขึ้นในโลกโอ้สององค์นี่ก็เยอะแล้วนะว่า ง, งั้น และพระองค์ทั้งสององค์นั้นอ่ะพึงแสดงธรรมเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อความเพื่อกูลแก่ชนจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อพวกเขากล่าวอย่างนี้แล้วเท้าสะกะจอมเทพจึงได้ตรัสคํานี้กับพวกเทพชั้นดาวดึงว่าเพื่อนทั้งหลาย ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้จริงๆว่างั้นไม่ใช่โอกาสที่ในโลกธาตุหนึ่งพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะพึงเกิดขึ้นไม่ก่อนไม่หลังกันฐานะนี้มีไม่ได้พราะงั้นเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าสององค์เป็นต้นเนี่ยจะพึงอุบัติเกิดขึ้นเขาบอกว่าเพราะโลกธาตุรองรับคุณของพระองค์ไม่ไหวเขาบอกว่าถ้าหากว่า พระพุทธเจ้าจะพึ่งอุบัติเกิดขึ้นสององค์เนี่ยนะโลกธาตุต้องแตกทํำลายแน่นอนก็อุปมาเหมือนกับว่ามีเรือบรรทุกรั ต, ตนะอยู่ลำหนึ่งเนี่ยนะบรรทุกเนี่ยเต็มแป้เลยเสร็จแล้วมีเรืออีกลําหนึ่งเนี่ยนะบรรทุกเท่ากันอีกเสร็จแล้วขนจากอีกลําหนึ่งไปรวมอีกลําหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีแต่จมอย่างเดียวฉันใดเขาว่ากันโลกธาตุนี้ไม่สา ม, มารถที่จะรองรับพระคุณของพระผู้มีพระภาคสอ ง, ององค์ได้ฉันนั้นแหละ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ที่พระพุทธเจ้าสององค์จะอุบัติเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ถ้าเกิดขึ้นพร้อมกันเออพระพุทธเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าของฉันอย่างเงี้ยนะสา ว, วกคงทะเลาะกันหน้าเดอเลยนะที่พวกที่มีกิเลสนะพะพุทธเจ้าของเธอนี่นี่พระพุทธเจ้าของฉันถ้าตําหนิอย่างนี้นี่มีโทษนะพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพเถิดทูลบูชาสการะอย่างเดียวถ้าไปจ่วงจาาอย่างใดยอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นอริยุประวาทิอิยุประวาทินี่ห้ามสวรรค์ด้วยนะ จะกล่าวไปยัยถึงนิพผ่านก็ว่าสวรรค์ยังห้ามเลยนะจำได้นะขนาดวสการพรามใช่ไหมตําเหนิพระมหากัจจยนะว่าเป็นเหมือนลิงอะ่ะก็ยังได้เกิดเป็นลิงสมพรปากเลยจะอีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่าเหมือนหญิงแพทย์สยาเงี้ยก็เป็นแพทย์สยาสมพรปากเพราะฉะนั้นถ้อยคําใดที่กล่าวถึงพระริยเจ้านั้นมีโทษมากถ้ากล่าวด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศล ในอัตกถฐามหานิเทศกล่าวไว้เลยนะว่าห้ามสวรรค์และห้ามนิพพานเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะที่พระพุทธเจ้าสององค์จะพึงอุบัติเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ว่าโอ้หนอเพื่อนทั้งหลายขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแหละทรงมีพระอาพาธน้อยทรงมีพระโรคน้อยพึงทรงดำรงยืนนานสิ้นกาลนานเถิด ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนจนํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนจนํานวนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายองค์เดียวก็เถอะว่างั้นขอให้พระองค์นี้อายุยืนยาวกว่าแล้วกันโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนพระองค์น้อยไม่เจ็บไม่ป่วยได้เนี่ยนะจะได้สงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอ s. <S ายันนี้สมัยนั้นนะสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่ย เขาก็จะกล่าวเช่นนั้นถ้าสมัยนี้เราจะกล่าวยังไงโอ้หนาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพึงดํารงอยู่ในโลกยาวนานเห็นนะเพราะว่ารู ป, ปกายของพระองค์ก็ดับขันปริณิพานแล้วเหลือแต่พระธรรมคาสอนทีนี้ของเราทั้งหลายก็เอ๊ทํำยังไงนะพระธรรมคาสอนจะดํารงอยู่ในโลกอย่างยาวนานถามว่าโลกไหนโลกไหนพระธรรมคาสอนดํารงอยู่ในโลกจารึกไว้ในศิลาหินอ่อนเลยใช่ไหม จะเลือกไว้ในหินเลยหรือเอาแผ่นทองคำเนี่ยมาปั๊มเป็นพระไตรปิฎกแล้วฝังให้ดีเลยนะจะได้ไม่อันตรธานอย่างนั้นหรือเปล่าปัญหามันจะอันตรธานไปจากใจเราก่อนนะที่โลกไหนก็โลกกายาวาหนาคืบนี่แหละสมควรอยู่ตรงไหนดีนะเอาพระธรรมไว้ที่ไหนนะก็บอกว่าทำอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคจึงจะประดิษฐานอยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายได้ ถ้าหากว่าศาทั้งหลายมีพระธรรมคำสอนประดิษฐานอยู่ในใจแล้วก็สืบเนื่องเป็นรุ่นรุ่ น, นต่อไปศาสนาก็จะดํารงอยู่ยาวในโลกถ้าหากว่าพระธรรมคําสอนดํารงประดิษฐานอยู่ในจิตของผู้ใดก็จะเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละ <c oughs> แต่ก็นึกเอานะตอนนี้นึกอย่างเดียวเออทอํายังไงจะได้ไม่ไม่เสื่อมจากโลกนี้ก่อนอใช้ได้ลนะ โลกไหนโลกเนี้ยนเพราะว่าพระธรรมนี้ไม่เหมือนกับอย่างอื่นนะยักยยดให้ใครก็ไม่ได้เห็นไมไม่เหมือนอาหารอาหารอาหารนี่ถ้าไม่รับจริงๆเนี่ยก็ยื่นให้เขาก็ไม่กินนะเนนะี่ยขนาดอาหารนะแล้วพระธรรมคำสอนที่ต้องประดิษฐานอยู่ในใจแล้วการศึกษาพระธรรมคำสอนนั้นเป็นวิชาที่กล่าวถึงเรื่องชีวิตอย่างตลอดสาย เมื่อเป็นถ้าทำคำสอนที่กล่าวอย่างชีวิตกล่าวถึงชีวิตอย่างตลอดสายเนี่ยนะถ้าหากว่าเราใช้เวลาศึกษาในน้อยถามว่าจะเรียนจบไหมก็คือเรียนเรื่องชีวิตของเรานั่นเองเพราะถ้าทำคําสอนนั้นก็ประชุมลงที่ไหนพระองค์บอกเลยว่าอริยสัจนี่ประชุมลงที่กายาวานี่แหละมีสัญญาและมีใจครองพระองค์นี่ประชุมอริยสัจลงในที่นี้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยนะ เราจะ อ, อยากจะศึกษาให้มันจบเร็วๆง่ายๆมันก็คงยากเนาะนางวิสาขาเนี่เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนะถามว่าดีเนาะแต่อย่าลืมว่านางวิสาขาเนี่ยในศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์กรนางประพฤตนะิโกมารีพัฒเนี่ยนะโกมารีพรหมจรรย์อยู่สองหมื่นปีเนี่ยนะฟังธรรมอยู่สองหมื่นปีอะในศาสนาพระผู้มีพระภาคพระองค์กรเนี่ยนะ เนี๋ยของเราเนี่อดีตชาติเนี่ยทบทวนดูแล้วเนี่ยชาตินี้ฟังทำกี่ชั่วโมงแล้วนะเข้าใจอะไรบ้างเอาเป็นการเป็นงานเลยอ่ะเดนีเนี่ยเรามาไล่ไปไล่มาไม่ไม่สมควรเลยนะมายังจับได้เลยอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าบรรลุธรรมตอนนี้จะเอากิเลสไปไว้ที่ไหนเขา <c oughs> ว่างั้นเราเราเออฟังแล้วก็เออใช่อาจารย์พูดถูกเงิน <c oughs> อวิชามันเต็มไปหมดเลยนะ ก็ถ้าบรรลุตอนนี้มันก็ฉลาดเท่าเดิมอย่างนี้เอาหรือเปล่านะยังไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะแล้วบรรลุอริยศาสตร์เนี่ยทุกขาริยศาสตร์บรรลุด้วยอะไรนะด้วยปริญญาสามเนี่ยนะอะไรได้อะไรทุกขาริยศาสตร์องค์ทำได้แก่อะไรอันไหนนะอุปท า, านขันห้านะมีอะไรบ้างอุปท า, านขันห้าอันนะจิตแปดสิบเอ็ดอะไร นะเจตสิกเจตสิกห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะทุกขาริยศัตร์นะรูปยี่บแปดแล้วจิตกี่ดวงอนะที่ทำให้พูดเมื่อกี้เออพูดหนึ่งคำนี่สามารถเป็นจิตได้กี่ดวงนะในยะี่สิบดวงนะอะไรยี่สบดวงมันะ้มีเจตสิกประกอบได้เท่าไหร่ 52, ห้าสิบสองนแหละ ถ้า20บดวงก็5้าบประกอบได้หมดเลยนะแล้วทำไมจึงทำจิตตะชรูปได้เพราะปัจจัยอะไรแล้วรูปนี้ทำไมจึงเรียกว่ารูปประขันนะจิตทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณขันเวทนาทำไมจึงเรียกว่าเวทนาขันสัญญาทำไมจึงเรียกว่าสัญญาขันนะถ้าปริญญาสามได้ก็แสดงว่าเข้าใจเพราะว่ากิจของเขาคือ ปริ ญ, ญญาธรรมเป็นธรรมทท่ครุรรอบรู้นะวันนี้ใครรอบรู้ทุกขาริยศสตร์ข้อไหนบ้างทำปริญญาสักข้อไหมนะอไหนวันนี้ไปวิจัยเรื่องทุกขาริยศสตร์มาว่ากันข้อรูปประขันยังกินจิรูปังอติตานาคตะปัจจุปันนงังว่ากันรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตอย่างเงี้ยไปวิจัยหรือเปล่านไะนะแต่ก็มีศรัทธากันนะนะ มีสรัทธายังไม่วิจัยก็ไม่เป็นไรเห็นไแต่ว่ามันเสาร์น้านี่แหละดูว่าใครจะวิจัยมาเจ๋งๆมั้งหรือเปล่าไม่ทราบ <c oughs> ก็ต้องมันตึกบ่อยๆนะเวลาถ้าเราจะพิจารณาเรื่องโลิยจิตเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นทุกขาริยศาสตร์เนี่ยเวลาเราเห็นคนพูดเนี่ยนะใส่ใจไหมว่านั่นคือจิตตัชรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐาน ใครตรึกอย่างนี้บ่อยๆไหมเวลาเห็นคนพูดเลยเนะี mm ่ย hmm. เขามีจิตชนิดใดทําให้เขาเปล่งวาจาออกมาดูทีวีเนี่ยสายใจไหมว่าเออเนี่ยจิตชนิดไหนที่ทําให้เขาออกมาพูดกันแบบนี้แบบนี้เป็นจิตชนิดไหนนะแล้วก็เอากรร ม, มัสกตาใส่ลงไปนะจะไปไยมโยมอาจารย์เคยไหม mm hmm. <laughs> เป็นบางครั้งอะนะทํำยังไงนะจะได้บ่อยๆขึ้นอะนะเออนี่มีจิตเป็นสมุทานนะที่เขาออกมากล่าว แล้วจิตเหล่านั้นเป็นจิตชนิดใดเนี่ยนะถ้าจิตเหล่านั้นเนี่ยถ้าเอาเรื่องกรรมเป็นต้นมาสงเคราะห์แล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็ไปตรึกอย่างนั้นะความรู้อันนี้จนกว่าจะเป็นความรู้ชั้นพื้นฐานว่าเราอยู่ที่ไหนความรู้เหล่านี้ก็เหมือนเดิมเหมนนะจนกว่าจะมองเห็นปั๊บก็เข้าใจเหมือนกับอ่านหนังสือออกเลยเนี่ยนะไม่ในชะ่ว่ามันเข้าเนื้อเข้าเลือดอย่างนั้นนะจำได้ขนาดนั้นอ่นะมีความเข้าใจอย่างนั้นเลยเนี่ยนะ มองเห็นหน้าตาผิวพรรณก็สมุทฐานสีเนี่ยใส่ลงไปเลยเนี่ยนะก็คือมองถึงเรื่องกรรมด้วยทําไมมีผิวพรรณดีทําไมมีผิวพรรณซามทาไมได้ดีทําไมตกยากทําไมตระกูลสูงทําไมตระกูลต่ําเป็นต้นเนี่ยนะเอากรรมเป็นสมุทฐานนี่แหละสงเคราะห์ลงไปเนี่ยนะว่าเกิดจากกรรมใดๆเนี่ยนะเสร็จแล้วถ้าหากว่าจิตนะจิตเป็นสมุทฐานว่าจิตชนิดไหนที่ทําให้รูปร่างหน้าตาแสดงออกมาในลักษณะอย่างนั้น ถ้าอุตุสมุทรานและอาหารสมุทฐานก็คร่ครวนอย่างนี้บ่อยๆเห็นไะถ้าหาว่าไข้ครวนสมุทฐานอ่อนนยนะยาตะปริญญายังไม่ได้เลยเห็นไะหเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงก็เออไม่เที่ยงจะได้ไม่ต้องสนใจใช่ไหมอะไรแรกก็ไม่เที่ยงหมดนั่นแหละว่างั้นก็เหมือนกับทำของสงแตกใช่ไมทำแก้วของสงแตกมันไม่เที่ยงครับเออไม่เที่ยงอย่างนี้ต้องใช้นะนะต้องใช้คืนว่างั้นใช้หนี้สงว่างั้น นแต่ละอย่างเหมือนกันนะถ้าหากว่าเรารู้เรื่องสมุดฐานของเขาอ่อนไปเราก็จะรู้ความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นอย่างตลอดไม่ตลอดสายมันก็ควรที่จะมองทุกอย่างให้ให้ตลอดสายเลยนะคือพิจารณาเรื่องสมุดฐานให้มากๆถ้าใครครวญเรื่องสมุดฐานมากๆจะทำให้เรามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยนะและก็ปัจจัยนี้เป็นคัมภีร์แรกในพุทศาสนาที่เสื่อมก่อนเพื่อน คำพีแรกเลยคือคำพีปัจฐานที่เสื่อมคำพีปัจฐานก็คือคำพีที่กล่าวถึงเรื่องของปัจใจนั่นเองยังไงยังไงก็อย่าเพิ่งเสื่อมจากเรานะขอให้ได้เรียนก่อนครั้งนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงที่มานั่งประชุมพร้อมกันที่สุธรรมสภาเพื่อประโยชน์อันใดแม้มหาราชทั้งสพระองค์ก็มาพากันคิดประโยชน์นั้นปรึกษาการถึงประโยชน์นั้น คือพวกเหล่าเทวดาทั้งหลายนี้เข้ามาปรึกษาประโยชน์กันว่างั้นเถอะตรัสแต่คําที่กล่าวถึงประโยชน์นั้นมหาราชทั้งสี่พระองค์ก็ตรัสพร่ำสอนเฉพาะแต่เรื่องประโยชน์นั้นในเพราะประโยชน์นั้นจึงประทับบนอาสนะของตนของตนไม่ยอมแยกย้ายเท้าเธอเหล่านั้นกล่าวแต่คําที่กล่าวแล้วรับคําพร่ำสอนเป็นผู้มีจิตใจผ่องใส ได้ประทับนั่งบนอาสนะของตนนะังเท้าสกะเนี่ยกล่าวพรรณนาถึงพุทธคุณทั้งความจริงทั้ง8อย่างเนี่ยนะบอกว่าพอฟังแล้วเนี่ยโอ้โหปีติปราบเรลิล่มเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเทวดาเนี่ยจะปีติง่ายนะเพราะว่าเท้าสกะนี้ก็เป็นผู้ที่อ่โดยสำเนียงน้ำเสียงเป็นต้นนี้ก็น่าฟังอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เท้าสก่ากล่าวถึงก็กล่าวสรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วในเทวดาไม่มีปฏิฆานิมิตง่ายๆเนี่ยนะมีแต่สุภาพนิมิตสซะส่วนใหญ่เพราะนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะ น, นั้นเนี่ยจิตที่เป็นโสมนัตเป็นปีติปราโมทก็จะเกิดไม่ยากนักเนี่ยนะครั้งนั้นแลทางทิศเหนือเกิดแสงสว่างอันโอฬารอย่างเจิดจ้าเป็นแสงที่ปรากฏขึ้นชนิดที่ก้าล่วงเทวานุภาพของทวยเทพ ท, ทันที โอ้เท ว, วดาสนทนากันเกิดขึ้นเกิดแสงสว่างเกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาเฉยๆงั้นนะสว่างจริงๆเหมือนกันเทวดานี่งงเลยเหมือนกันทีนี้เท้าสา ก, กาจอมเทพทรงเรียกพวกเทพชั้นดาวเดืองมาตรัส ว, ว่าเพื่อนทั้งหลายนิมิตทั้งหลายย่อมปรากฏแสงสว่างอันโอฬเกิดขึ้นอย่างแจีมจ้ารัศมีย่อมปรากฏขึ้นมาโดยประการใด พรมก็จักปรากฏขึ้นโดยประการนั้นโั้แสงแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยพรมต้องมาแน่นอนเหือนเพราะเกิดแสงสว่างยังเจิดจ้ารัศมีก็ปรากฏขึ้นมานี้เป็นบุพภริมิตแห่งการปรากฏของพรมบอกว่านิมิตทั้งหลายย่อมปรากฏโดยประการใดพรมก็จักปรากฏโดยประการนั้นการที่โอภาษคือแสงสว่างอันไพบูรณ์มาก ปรากฏนี้เป็นบุพนิมิตของพรหมก็คิดดูนะว่าสมัยที่ท่านเจริญฌานเนี่ยนะฌานาจิตของท่านเนี่ยอนุภาพของฌานเนี่ยมีรัศมีมากมายนะในในคุณภาพจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาไปเกิดเป็นพรหมแล้วเนี่ยรู ป, ปรกายก็เลยทำให้มีรัศมีมากมายครั้งนั้นพระพุทธเจ้าค่านะนก็คือเรื่องราวนี่มีอยู่ว่า ปัญจศิขคนท่านนะเทวดานะักร้องไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่างั้นเรื่องนี้มีมาแล้วว่าไงก็ว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้าข้าพวกเทพชั้นดาวดึงนั่งบนอาสนะของตนของตนแล้วพูดว่าพวกเราจักรู้แสงนั้นสิ่งใดจักเป็นวิบากเราทําให้แจ้งสิ่งนั้นแล้วจึงจับไปโอต้องอยู่รอดูให้ได้ก่อนนะค่อยไปว่าไ น, นถ้ายังไม่เห็นยังไม่ไปหรอก แม้ท้ามหาราชทั้งสี่พระองค์ก็ประทับนั่งบนอาสนะของตนของตรงแล้วก็ตรัสว่าพวกเราจักรู้แสงนั้นสิ่งใดจักเป็นวิบากเราทำให้แจ้งสิ่งนั้นแล้วจึงจักไปเมื่อฟังคํานี้แล้วพวกเทพชั้นดาวดึงทำใจให้แน่วแน่สงบอยู่ด้วยคิดว่าเราจักรู้แสงนั้นผลจักเป็นอย่างไรเราทำให้แจ้งผล น, นั้นแล้วจึงจักไปเนะเกิดรัศมีเกิดแสงสว่างอย่างโอลานเกิดขึ้นลนะ ค่ะค่ะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นน่าอัศาจรรย์ของทวยเทพเข้านะ <c oughs> ตอนที่สนังกุมารพรมจะปรากฏกายแก่พวกเทพชั้นดาวดึงดึท่านจำแรงอัตภาพชนิดหยาบแล้วจึงปรากฏก็แหละผิวพันธุ์โดยปกติของพรมไม่พึงปรากฏในสายตาของพวกเทพชั้นดาวดึงดึได้ดนไะขนาดเทวดาชั้นดาวดึงดึเนี่ยก็มองไม่เห็นพรเนี เรว่าสายตาเนี่ยหยาบแตกต่างกันมากอ่าเขามีวันนี้เพิ่งดูมาก็คือว่าพรหมโลกเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยห่างพรหมโลกประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าปราสาทเจ็ดชั้นเนี่ยนะถ้าตกจากพรหมโลกมาถึงโลกมนุษย์ใช้เวลาประมาณสี่เดือนนี่นะน่าจะไกลามา ก, ก น, นะนี่นะปราสาทหรือตึกใหญ่ๆเนี่ยนะตึกอาจจะเจ็ดชั้นเนี่ยหลังเนี้ย ตกมาจากพรหมโลกมาถึงมนุษย์ใช้เวลาสเดือนเขาบอกงั้นจึงจะถึงเขบอกว่าระยะห่างเนี่ยนะห่างมนุษย์ห่างจากพรหมโลกขนาดนะตอนที่สนังกุมารพรหมจะปรากฏกายแกพวกเทพชั้นดาวดึงท่านรุ่งเรืองยิ่งกว่าหมู่เทพเหล่าอื่นทั้งโดยรัศมีและโดยยศว่างั้นรัศมีเนี่ยโหแสงสว่างนี่ก็ครอบงำเทพทั้งหมดนั่นแหละ ตอนที่สนังกุมารพรหมปรากฏกายแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงท่านรุ่งเรืองยิ่งกว่าหมู่เทพเหล่าอื่นทั้งโดยรัศมีทั้งโดยยศถ้าจะเปรียบก็เหมือนร่างทองย่อมรุ่งเรืองยิ่งกว่าร่างที่เป็นของมนุษย์ฉันนั้นแหละก็บอกว่าทองนี่ก็ต้องชัดกว่ามนุษย์ใช่ไหมพรหมนี่ปรากฏชัดเจนมากกว่าเทวดาเหล่านั้นมากตอนที่สนังกุมารพรหมปรากฏกายแก่พวกเทพชั้นดาวดึง ในบริษัทนั้นไม่มีเทพองค์ใดอภิวาลุกขึ้นรับหรือเชื้อเชิญด้วยอาสนะเลยไม่มีใครลุกไปกราบเลยอย่างนั้นเถอะนิ่งกันหมดเที่ยวประนมมือนั่งบนบัลลังก์ยกมือไหว้นั่งประจําที่อยู่นั่นแหละไม่มีใครลุกไปกราบอย่างนั้นคราวนี้สนังกุมารพรหมนี้จักต้องการบัลลังก์ของเทพองค์ใดก็จะนั่งบนบัลลังก์ของเทพองค์นั้นก็สนังกุมารพรหมนี้นั่งบนบัลลังก์ของเทพองค์ใดแลเทพองค์นั้นก็ย่อมได้รับความยินดี อันยิ่งใหญ่โอ้ใครนั่งเราไปนั่งอาสนะไหนก็เทวดาองค์นั้นก็นับว่ามีเกียรติมากอย่างนั้นเถอะเทพองค์นั้นย่อมได้รับความดีใจอันใหญ่ยิ่งสนังกุมารพรหมนั่งบนบัลลังก์ของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นก็ย่อมได้รับความยินดีอันใหญ่ยิ่งเทพองค์นั้นย่อมได้รับความดีใจอันใหญ่ยิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนพระราชาผู้กษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษได้รับอภิเศคมาไม่นานพระราชานั้นย่อมจะ ทรงได้รับความยินดีอันยิ่งใหญ่พระราชานั้นย่อมจะทรงได้รับซึ่งความดีพระไทยอันยิ่งใหญ่เช่นั้นครั้งนั้นสุนังกุมารพรเนี่ยทราบความเลื่อมสายพร้อมของถวยเทพชั้นดาวดึงแล้วก็หายไปอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้หายตัวแล้วเปล่งออกมาเสียงดังแยะเลยเนี่ยนะว่าโอ้เนอท่านผู้เจริญพวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมกับพระอินย่อมบันเทิงไหว้ซึ่งพระตถาคตและความที่พระธรรมเป็นธรรมดี เห็นอยู่ซึ่งพวกเทพรุ่นใหม่เทียวผู้มีรมัศมีมียศประพฤติพรหมจรรย์นในพระสุคตแล้วมาในที่นี้พวกเทพเหล่านั้นย่อมรุ่งเรืองยิ่งกว่าพวกเทพเหล่าอื่นโดยรัศมีโดยยศโดยอายุเป็นสาวกของพระผู้มีปัญญาเหมือนแผ่นดินบรรลุคณณวิเศษแล้วในสวรรค์ชั้นนี้พวกเทพชั้นดาวดึงพร้อมทั้งพระอินเห็นข้อนี้แล้วจึงต่างพากัน ว่ายอยู่ซึ่งพระตถาคตและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีสนังกุมารพรมได้พาสิทธิ์ความข้อนี้แล้วก็คือมาถึงก็ยกย่องใหญ่เลยนะยกย่องเทวดาชั้นดาวดึงที่พากันสารเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเมื่อสนังกุมารพรมกําลังกล่าวข้อความนี้อยู่ย่อมมีน้ําเสียงที่ประกอบด้วยองค์8ประการนะเสียงของพรมเนี่ยนะก็บอกหนึ่งเป็นเสียงที่แจ่มใส2เป็นเสียงที่เข้าใจง่ายสเป็นเสียง ไพเราะสี่เป็นเสียงที่น่าฟังห้าเป็นเสียงที่หยดย้อยหกเสียงไม่แตกพร่าเจ็ดนี่เสียงลึกแปดเสียงกังวานเห็นไหมเขบอกว่าคําว่าเสียงลึกเนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากนาพีหรือเกิดจากอกเกิดจากท้องเนี่ยนะเปล่งขึ้นมาพรางั้นก็คือเสียงของคนทั่วไปนี่นะมีดีมีเสลต์มีอะไรเป็นต้นมันพันอยู่เลยเสียงไม่ดีนักว่างั้นแต่พรหมเนี่ยไม่มีประเภทนั้นไม่มีเลือดมีเสลต์มีอะไรมาเกี่ยวพัน ทำให้เสียงแตกเสียงแห้งเสียงพร่าเสียงอะไรไม่มีสักอย่างเพราะพรหมนี้ไม่ต้องทานอาหารนะพรหมไม่ต้องมีไม่ต้องทานอาหารครั้งนั้นแลพวกเทวดาชั้นดาวเดิมไม่กล่าวคํานี้กับสุนังกุมารพรหมว่าเาได้กล่าวคํานี้กับสุนังกุมารพรหมว่าสาธุมหาพรหมสาธุก็ดีแล้วมหาพรหมเหมืนพวกข้าพเจ้าพิจรารณาข้อนี้นั่นแลจึงโมทนา ยังมีพระคุณตามความเป็นจริงแปประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เท้าส ก, กะจอมเทพได้ภาสิทธิ์ไว้แล้ว <c oughs> พวกข้าพเจ้าจึงได้พิจารณาถึงพระคุณเหล่านั้นแล้วจึงโมทนาครั้งนั้นแหละสนังกุมารพรหมจึงได้ทูลคำนี้กับเท้าส ก, กะจอมเทพว่าสาธุว่างง้นจอมทวยเทพ แม่หม่อมฉันก็พึงฟังพระคุณตามที่เป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเออผู้เรื่องอะไรไม่ฟังบัางสิแบบนั้นเด็กให้ท้าวสก่าเล่าให้ฟังหน่อยท้าวสาก่าจอมเทพฟังเฉพาะคําของสนังกุมารพรมนั่นแหละ ว, ว่าอย่างนั้นมหาพรมแล้วจึงตรัสพระคุณตามที่เป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่านะัก็คือเล่าให้ฟังทบทวนอีกครั้งนั่นแหละ8ประการเนี่ยกล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง8ข้อให้ ท้ามหาพรหมฟังเป็นรอบสองวงันพระเจ้าข้าวังันเท้าสักกะจอมเทพได้ตรัสถึงพระคุณตามที่เป็นจริงแปประการเหล่านี้แก่สนังกุมารพรหมเพราะเหตุนั้นพระเจ้าข้าจึงเล่ากันมาว่าสนังกุมารพรหมจึงชื่นใจบันเทิงเกิดปีติโสมนัสเออพรหม่ก็ดีใจด้วยนะเมื่อได้ฟังพระคุณตามที่เป็นจริงแปประการของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้งนั้นสนังกุมารพรหมนิมิต อัตภาพใหญ่ยิ่งเป็นเพศกุมารไว้ผมห้าจุกปรากฏแก่ทวยเทพชั้นดาวดึงแสดงว่าตายตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยนะเจริญชาตตั้งแต่เด็ ก, นะต ก, ดกแต่ว่ามีผมยุงห้าจุกเลยนะเครศนังกุมารพร์งั้นเป็นพรมแบบเด็กๆกันนะเนังกุมารพรมนั้นเหาะขึ้นสู่ฟ้านั่งโดยบรลลังในอากาศว่างั้นไม่ต้องนั่งอาสนะใครสักอย่างเลยนะเหาะนั่งอย่างเดียวเลยนะบุรุษ มีกําลังพึ่งนั่งบนบัลลังก์ที่ปูลาดไว้เป็นอย่างดีหรือโดยบัลลังก์บนภาค พ, พื้นที่เสมอแม้ชั้นใดสนังกุมารพรหมก็ฉะนั้นเหาะขึ้นสู่ฟ้านั่งโดยบัลลังก์ในอากาศแล้วนะยังมีสวรรค์ชั้นดาววดึงยังมีอากาศข้างบนนั่นอีกเนาะเรียกพวกเทพชั้นดาววดึงว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาววดึงจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉ น, นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญายิ่งใหญ่มาตลอดกาลนาน เชียงไรเนี่ยบอกว่าพระ อ, องค์เนี่ยมีปัญญามาขนาดไหนทีนี้พรมก็จะเล่าเรื่องราวในอดีตว่าพระ อ, องค์นี่มันมีปัญญาเฉพาะชาตินี้นะแม้ในอดีตแต่ชาติก็เคยมีปัญญามาแล้วแต่ว่าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนี่ยนะพระประเจรพุทธเจ้าหรือครับสามารถจะมีตั้งแต่สองขึ้นไปได้หรือไม่โอ้ในเป็นห้าร้อย เป็นห้าร้อยเป็นห้ายเยอะแยะไปหมดครับผมก็ได้เยอะเลยคนั่นะเฉพาะลูกนางประทุมวดีนี่ก็เป็นพระป่าเจกห้าร้อยอ่ะนี่นะแล้วก็ถึงกระนั้นก็ตามคําสั่งสอนของพระองค์ก็จะเหมือนกันหมดทุกพระองค์ใช่หเปล่าครับคําสั่งสอนพุทธเจ้าทุกพระองค์เมือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้อ่าโดย โดยอัถะของคําสอนแล้วไม่ต่างกันแต่โดยพยัญชนะเนี่ยนะเรียงเรื่องหรืออุทาหอนบุคลาธิฐานอะไรอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าก็สรุปแล้วก็ตรัสเรื่องอริยสัจเหมือนกันนะนะตรัสโพธิปัจขิยธรรม37ตรัสโอวาทปาติโมกเหมือนกันหมดเลยแต่รายละเอียดนี้อาจจะแตกต่างกันในส่วนเนื้อหาปลีกย่อยตามสมควรแก่อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายนะแต่ส่วนอื่นๆไม่ไม่แตกต่างกันเลย แต่ว่าพระผู้มีพระภาคบางองค์นี้แสดงธรรมไม่มากบางองค์เนี่ยดักใจแสดงธรรมเลยเนี่ยนะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเพื่อว่า ม, มีมีพระผู้มีพระภาคองค์หนึ่งเนี่ยชวนสาวกเข้าไปในป่าที่มันเงียบเพื่อว่าชนิดที่ว่าคนยังมีกิเลสเข้าไปแล้วต้องขนลุกอะ่ะแล้วพระองค์อนนะี่ยคิดอย่างนี้อย่าคิดอย่างนี้คิดแบบนี้มากๆจิตหลุดพ้นจากอาสวะเท่านั้นองค์ไม่ได้สอนมากนะ แต่ว่าพระผู้มีพระภาคภระอย่างพระกัสสปะพระผู้มีพระภาคองค์ที่แล้วกับพระผู้มีพระภาคของเราเนี่ยโอวาทอนุสาสนีมากแต่องค์ก่อนหน้านั้นๆพระผู้มีพระภาคที่อายุหลายหมื่นปีเนี่ยสอนไม่มากสอนไม่มากนักคือไม่เทพมากเหมืนกันเถอะอย่างพระผู้มีพระภาควิปัสสีเนี่ยนะพอบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกเยอะแล้วเนี่ยนะพระราชาเนี่ยสร้างวัดแลว้วร้อมกำแพงไม่หมดเลย ล้อมกำแพงหมดแล้วก็ทำเป็นคูหาช่องจากวัดไปวังเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าอ่ม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครไปโปรดแล้วใช่ไหมไม่มีใครมียานพอที่จะบรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็อยู่กับสาวกมันก็สร้างเหมือนกับส้มอยู่ไม่มีใครมีโอกาสเห็นเลยท่า น, นพระองค์ก็จะเสด็จเขาวังไปฉันเสร็จแล้วก็กลับไปวัดเท่านั้นเอะ ทนชาวเมืองเนี่ยเดือดร้อนเอพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกก่นหน้าจะเป็นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะทำไมเทวดา พ, พระราชาจึงกักกันเอาไว้ทําบุญแต่เพียงผู้เดียวก็คือเขาบอกว่าเอลูกชายลูกชายเราคนโตก็บวชแล้วเป็นพระพุทธเจ้านะลูกคนที่สองก็เป็นสาวกอีกคนหนึ่งปุโรหิตของเราก็เป็นอัครสาวกภิกษุที่บวชแล้วเป็นรรพระพอรหันตก็พวกอํามตะพวกทหารของเราทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นของเราพระธรรมก็เป็นของเราพระสงฆ์เป็นของเราทําบุญคนเดียวนะคนอื่นห้ามทำเหมืนกันชาวเมืองเนี่ยเดือดร้อนนะฮะนานๆเนี่ยหลายปีเข้าไม่ให้ใครได้ทําบุญเลยนะเออพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกก็น่าจะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนนะก็เลยปรึกษากันถ้าหากว่าพระราชาไม่ไม่ให้ทําบุญเนี่ยจะรบเหมือนกันปรึกษาเสนาบดีเหมือนกันทีนี้ไปปรึกษาเสนาบดีเสนาบดีก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พระราชาฟัง ว่าถ้าหากว่าพระองค์เนี่ยไม่อนุญาตให้ชาวบ้านทั้งหลายได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าเขาจะรบกับพระองค์นะพระเจ้าค่ะรบก็รบสิเขาว่าไปกลัวอะไรบอกข้าพระองค์เข้าข้างชาวบ้านนะพระเจ้าค่ะเฮ้ยปราชาเนี่ยเอ้าไม่มีทหารเข้าร่วมกับเราเลยแล้วก็ทั้งน้ำตานี่ยแหละเข้าไปฝ่าพระพุทธเจ้าว่าทีแรกข้าพระองค์จะทําบุญในตลอดชีวิตเลยเขาว่าแต่ตอนนี้ถ้าหากข่าพระองค์ไม่อนุญาตให้เขาทําบุญก็จะรบเหมือนกัน นั่นค้าพระองค์ขอทําบุญเลี้ยงใหญ่เลยเจ็ดวันเสร็จแล้วก็ทําบุญสลับกันแข่งกันชาวบ้านเ <c oughs> นี่ยนะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทําบุญกังั้นแต่ถ้าว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปิดเงียบเลยไม่ให้ใครทําบุญเลยนะนชาวบ้านเดือดร้อนจะรบกัทีทนี้รบทีละกําลังทหารก็นึกว่าตัวเองเนี่ยทหารอยู่ในมือใช่ไหมทหารรบทีเนี้ยเกิดพวกเสนาบดีไม่เอาด้วยดีแต่เข้ากับชาวบ้านหมดเลยตัวคนเดียวอ่ะ แบ่งกันทําบุญว่างัน<า>นะพระองค์บางองค์ก็ไม่ไม่ได้แสดงธรรมมากนะักแสดงธรรมตามอัธยาศัยของสัตว์แต่ว่าพระผู้มีพระภาคของเรานี้โอวาทอนุสาสนีไว้มากจริงๆเนี่ยนะพระองค์แสดงโอวาทอนุสาสนีส่งเคราะห์เวญญสัตว์ไว้เยอะเนี่ยนะของเราก็นับว่าเป็นบุญยราภของเราเนี่ยนะอายุน้อยแต่คําสอนมากก็ขยันเอากันแล้วกันก็บอกว่าเสียมไม่คมเนี่ยก็ด้ามหนักๆขุดบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ยังไงนะ คนคนเตี้ยนะคนขาสั้นอะ่ะเขาคนอื่นเขาก้าทีหนึ่งยาวเลยใช่ไหมของเราวิ่งเอาอะ่ะก้าวก้าสั้นนะแต่วิ่งเอาอะ่ะไม่เลิอกอะ่ะถึงเป้าหมายเหมือนกันเนอะว่ออาทรยว่าสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงที่จะมีศรัทธานในการศึกษาและก้าวไปข้างหน้าเนี่ยนะได้อย่างต่อเนื่องก็อบอกว่าวิริยะบารมีนั้นน่ะถ้าขาดขันติบารมีคือทำกุศลอย่างต่อเนื่อง กุศลอ น, นั้นจะไม่มีเดชอันการเจริญกุศลได้อย่างยาวนานต่อเนื่องเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดเดชได้อย่างยิงไงไ่งใหญ่เมัอนเดี๋ยวจะยาวแล้วพอละ